ที่ที่หมอบอกว่าเอาเอาความรู้สึกตัวเองไปปล่อยวางอย่างอื่นเลยนะพอเราเห็นความว่างเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมีอยู่ในความว่างแทะเราเลยรู้ว่ามันต้องปล่อยตัวปล่อยวางไอ้ตัวที่มีมันจะเหลือแต่ความว่างมันต้องปล่อยวางตัวที่มีมันจะเหลือแต่ความว่างคือไอ้ที่มีอ่ะมันเกิดดับอยู่ในความว่างเมื่อเราปล่อยวางตัวที่มีมันก็จะเหลือแต่ความว่างแต่ไม่ว่าไม่ใช่เข้าใจว่า พอเรปล่อยวางที่มีหมดแล้วสุดท้ายเราอยู่โดยไม่มีอาการอะไรเลยใจว่างอย่างเดียวไม่ใช่คือมันจะไม่มีพวกไปยึดถือไอ้ความมีมันก็เลยใจมันก็เลยมีแต่ความว่างมันไม่ยึดถือไอ้ความมีแต่ความมีมันยังไม่ตายอะความมีเป็นขันห้ามันก็มีระดับอยู่ในใจที่ว่างแล้วพอความรู้สึกตัวที่ว่าเราจะเอาความรู้สึกตัวไปปล่อยวางอะไรเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวที่เราจะปล่อยวางอะไรเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวมันความมี มันเป็นมีอยู่ในความว่าง อ, อยู่ในางที่ว่างงนั้นไอ้ที่เราเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเราไปพยายามวางอาการเนี่ยมันเลยผิดเมมออมันไอ ไ, ไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันมีขึ้นมาในความว่างเพราะว่าไอความว่างมันไมไ่มีอะไรไงแต่พอมันเราไปเปิดเปไอ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปิดม่านออกอะเอาม่านออกเอาม่านเอาวิชาดับเอาเลื่อนออกไปปุ๊บมันเลยเห็นใจที่ว่างพอใจได้ว่างปุ๊บอ้าวแม้แต่ความรู้สึกตัวยังเป็นความมีเลยเพราะมันมันเกินความรู้สึกตัวมัเป็นความว่าง ที่เกิดความรู้สึกตัวไปเป็นความว่างเอ้าไอ้ความรู้สึกตัวเลยกลายเป็นความมีอยู่ในความว่างวันนี้มันอยารู้สึกตัวก็รู้สึกตัวไปดิไม่ใช่จะไอ้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวคิดติดตองคิดติดตองได้ตัวรู้สึกตัวนั่นแหละไอ้ตัวนี้เลยกลายเป็นความมีหมดเลยแล้วไม่มีใครยิ่มกับความมีเลยมันใจมันก็เลยว่างตลอดรอจนอายุสิ้นอายุไขไอ้ความมีทั้งหมดดับเหลือแต่ใจที่ว่างกลับคืนสู่ธาตุบริสุทธิ์ในธรรมชาติเป็นธาตุรู้ เป็นความรู้ตามอมะตะที่ว่านิพพานนางประมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างอมะตะนิพพานนางปลามังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างอมะตะสุขนี่ไม่ใช่ว่าสุขเหมือนชาวโลกสุขอะคืออันนี้มันเหนือสุขเหนือสุขเหนือทุกข์แต่ก็มีคนที่เยอะนะครับอาจาตาที่แบบว่าเพื่อที่ไปเอาว่างก็ไปสร้างอันนี้ครับแต่เขาก็บอกว่าบางที เราจะให้เขาสังเกตได้ยังไงครับว่าเขาไปทําว่างคือนอกจากที่วิญญาณอาคารที่มันกระเพื่อมแล้วไอ้ความว่างที่มันเป็นสร้างเองมันต้องใช้ความปุงแต่งสร้างตรางความรู้สึกขึ้นมาแต่นี้มันว่างจากความยึดถือมาเลยว่าความคือมันว่างจากความยึดถือไอ้ไอ้สิ่งที่มีมันเลยเจอสิ่งที่ว่างนี่ว่างจากความยึดถือสิ่งที่มีมันเลยเจอสิ่งที่ว่างแต่คนทั้งหลายอาจารย์โอชอบทําครับอยู่ๆทําความรู้สึกว่าเหมือนดั่งอาวากาศขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย อันเนี้ยคุนโอทําบ่อยมากเลยเราคอยว่าเรื่อยอันเนี้ยมันเป็นการสร้างความว่างคกันเพราะพอยมันอยากจะได้อยากจะว่างมันก็สร้างเลยใช่ครับมันก็ไปสร้างโดยเหมือนไปสกัดตัวเองโดยไม่รู้ตัวอืมก็คือไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวอาวิชาบ้านปิดบังใจแต่มันจะชัดครับคือพนต้องเปิดบ้านติ่งเจอความว่างความไม่ใช่ไม่ใช่ไปสร้างอะไรใหม่เออไม่ใช่สร้างอะไรใหม่คือความว่างมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่อาวิชาคือ คือไอ้ที่เราไปยึดผิดตัวเนี่ยเราไปยึดไอติ่ที่มีอ่ะจะหมอที่ที่บอกว่าบอคิดกที่บอกว่าพยายามจะเราจะพยายามรู้สึกตัวไว้เราพยายามจะเอารู้สึกตัวไว้แล้วแล้วก็เราจะเอาไอ้ความรู้สึกตัวเราไปปล่อยวางโน่นปล่อยวางเนี่ยเราจะพยายามเอาความรู้สึกตัวเราไปล่อยวางโน่นไอ้ไอ้ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีเราถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกตัวเราก็จะพบความว่างแต่เราเราพลาดไปคือเราเอาความรู้สึกตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางสิ่งที่มี ไอ้ความว่ามันมีอยู่แล้วใจที่ว่างมีแล้วทุกคนเนี่ยอเด็งอีฟเด็กๆจะมีเลยลูกใจที่ว่างมัมีอยู่แล้วเจอแม่เหรออิฟหรือเจอแต่ใจวุ่นวุ่นวุ่นุ่นใจที่ว่างมันมีอยู่แล้วมีทุกคนเด็กผู้ใหญ่ตัดแต่ฉันนะเป็นอสุรกายสัตว์นรกเทวดามีหมดแล้วใจที่ว่างเนี่ยแต่มสมรสตันเรล่านั้นอะ่ะมันมีเอาวิชามันเป็นบ้านมาบางังยังไม่ได้เปิดบ้านออกบ้านนี่ยคือยึดถือ ยึดถือผิดตัวยึดถือโน้นยึดถือนี่ยึดยึดถือปุ๊บม่านเปิดออกปุพบใจที่ว่างเลยพอพบใจที่ว่างเมื่อง่ายแเนี้ยอ่ะเว้ยมันมีเแือสิ่งที่มีไว้มันคือความว่างอะไรก็ตามที่ไม่ว่างเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีหมดเลยปล่อยวางสิ่งที่มีทั้งหมดแล้วก็มายึดมายึดว่างไว้บอกว่าไอ้ผูดที่จะมายึดว่างได้มันต้องมันต้องปรุงแต่ง ต้องเป็นตัวปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีตัวปรุงแต่งเพื่อจะมายึดความว่างแต่พอมันปล่อยวางไอ้ความมีทั้งหมดมันเลยไม่เอาไม่เอาความมีเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยมันยึดความว่างบริกรรมเป็นว่างแท้ไอ้ความรู้สึกตัวมันก็คือถ้าเราไปยึดไอ้ความรู้สึกตัวก็คือเราไปยึดความมีใช่ไหมครับใช่ยึดความมีพอยึดความมีไม่เจอความว่างแล้วแล้วถ้าเกิดเราฝ่ายความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรเลยไหมครับใช่ใช่ บาคนก็จะบอกว่าเขา่บบควาไมกตัวเหมือนกันมันก็ไม่รู้สึกตัวไปเลยมันก็หลงไปเลยแบบหรือว่าหรือว่าเราเดินมาตรถึงจุดเราไม่ปล่อยมีแต่เราไม่ยึดมันไม่ใช่มันมันมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่ยึดความรู้สึกตัวไม่ใช่วะทิ้งความรู้สึกตัวมันก็จะผีคือมันมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดสติอะแต่ไม่ยึดสติเป็นเรา ไอ้สต cool cool cool cool cool anyway, ิสั่ปัญญาเนี่ยมันต้องมีไอ้สติความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องมีอยู่ไอ้สติสัมปชัญญะแต่ไม่ยึดไอ้สติสัมปชัญญะคือตัวคือเราคือตัวเราคือตัวตนของเราไอเดียเขาเรียกว่าวางไม่ยึดเอวางไม่ใชว่าเอาแต่างงั้นไม่ยึดไม่ยึดความมีไอ้ความรู้สึกตัวก็ทิ้งไปด้วยมันจะให้มันมันมีอยู่แต่ไม่มีคนยึดมันมันเลยเป็นความบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกตัวนะมีอยู่ แต่ไม่ยึดใ้ความรู้สึกตัวเป็นตัวเราเป็นคนรู้สึกตัวแต่เห็นว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสติสัพชัญญามันเป็นตัวสังขารปรุงแต่งในขันห้ามันเป็นตัวมีตัวปรุงแต่งแ้มันเยไปยึดมันแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเป็นเรือข้ามฟ้าไปพระนิพพานพระเจ้าตัดมันต้องรสุกตัวไว้แต่มายึดความรู้สึกตัวว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเรา แล้วก็อย่างบอกทุกที่เนี่ยเขาเอาความรู้สึกตัวเนี่ยพยายามปล่อยวางเออแต่มันไม่ได้ปล่อยวางไอ้อไอ้ตัวความรู้สึกตัวเอ อ, ว, อว่าว่าเนี่ยไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นสังขารตแสงแต่คนก็เข้าใจผิดสัมพันธว่าจริงหลายคนเลยวางความรู้สึกตัวหมดเลยคร<อ>ัไม่ความไปอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยไปวางความรู้สึกตัวทิ้งหมดแล้วก็เลยวางสติจบก็จบเห่เลยวางสติ ไม่ก็ว่าต้องติปัญญาบ่นอะไรต่เนี้ไม่รู้่ออะไรเลยแล้วในใจที่ว่างมันก็ว่างอยู่ไอ้สิ่งที่มีก็มีอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดเนี่ยไม่มีใครยึดสิ่งที่มีมันก็ปล่อยความว่างเป็นว่างไปอย่างนั้นแหละและไอ้สิ่งที่มีมันก็เลยมีมีเกิดเกดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในความว่างมันก็มีแค่สออย่างเนี่ยมีชีวิตอู่มีแค่สองอย่างสิ่งที่มีในใจเราเป็นอะไรก็ตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสิ่งที่มีทั้งหมดแต่ไม่มีใครยึดสิ่งที่มีเมื่อมีใครยึดสิ่งที่มี แต้ไม่มีพยายามมายึบว่างไว้ไงเนี่ยมันก็เป็นความว่างกับความมีมีแค่สองอย่างตลอดเวลามันองมีใจที่ว่างแล้วก็ตุสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจยกยิกกิกุกิกยกิยกิุกิกกิกุกิกตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ดับไม่ได้หรอกว่าจะสิ้นอายุขอันนี้ยุกยิกยุกิกมันแกดับนะก็ดับหมดกเลือแต่ใจที่ว่างแล้วแต่ความว่างแต่ความว่างมีความรู้มั ความว่างมีความรู้เพราะว่าเป็นธาตุรู้ไงแต่ความว่างของธรรมชาติจักรวาลไม่มีความรู้เนี่ยความรับวาว่างของอากาศเนี่ยไม่มีความรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้มันเป็นความว่างมันคุตตภาพมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างทับจักรวาลแต่มันมีความรู้เวลาพอขันท่าดับแล้วมันเหลือแต่ความรู้แต่ตัวตนไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของความรู้ไม่มีมีแต่ความรู้แล้วก็ เป็นความว่างที่มีความรู้แต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีแต่เพราะไอ้ความรู้เนี่ยเวลามันความรู้เนี่ยมันเป็นมันมีอยู่มันเป็ไอ้ความรู้ที่มันไม่มีตัวตนเลยกลายเป็นวิมุตต์ไปที่มันมันไม่มันไม่ไม่เป็นสมมุติที่ปรุงแต่งมันกลายเป็นความไม่ปรุงแต่งมันกลายเป็นความไม่ปรุงแต่งเป็นความว่างแต่ไม่ใช่เป็นความว่างของไอ้อากาศอย่างนี้เป็นความว่างที่เป็นวิมุตต์ที่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่เป็นความว่างไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราปรุงแา่ท่าน สื่อว่าเอาทำรั้อาหารแล้วแบบพรธเจา้าพระหลานนั้นหลานอยู่ยังไงกันนี่ยปุ๊บมาปรกากฏพทะเจ้าพระหลานเต็มเลยครับตุกปู่ม่านเลยถามว่าอ้ า, พาวพรธเจ้ากับพระหลานหายไปแล้วแล้วทําไมมาปรากฏได้อ่ะพระเจ้าบอกว่าเอ้าใครสมมุติไปหาเราอ่ะในในวิมุตต์อะมไม่เจอก็ได้เราก็ในวิมุตมันมีแต่ความว่างมองก็ไม่เห็นไม่รู้เรื่องสื่อก็ไม่ได้แต่เพราะมันมี ความว่างกับความว่างที่เป็นธาตุรู้แต่ความว่างกับความว่างมันต่างกันต่างเป็นธาตุรู้มันเป็นว่างอันเดียวกันเลยพอสมมุติถึงกันน่ะมันก็เป็นมันอยู่ในความว่างอันเดียวกันจึ๊บเจอกันแล้วมาสมมติเจอกันแล้วก็พอพูดกันเสร็จก็หายไปกลับไปขวาว่างทางปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอะไรจำเริงอ่ะปล่อยสิ่งที่มีมันมีอยู่แนั้นแหละมีความรู้สึกมีความนึกมีความคิด มีอารมณ์มีอาการต่างๆเนี่ยปล่อยให้มีปล่อยให้มีอยู่แค่ไหนเพราะเป็นชีวิตไงชีวิตก็ต้องมีความรู้สึกมีความนึกมีความคิดมีอารมณ์มีอาการต่างๆเนี่ยเป็นชีวิตปล่อยให้ชีวิตมันคงยังดำเนินอยู่แต่ไม่ไปใขยึดแต่สิ่งที่มีไม่มีใครไปยึดเห็นว่ามันเป็นชีวิตที่ต้องดําเนินอยู่ไม่มีใครไปยึดก็เลยมันก็ยัง พอไม่มีคอยยึดมันก wow ็ยังไปความรู้สึกมันคิดอารมณ์ก็ยังไอ้มันยังไม่ตายเด็กมันยังเปความรู้ส um ึกมันคิดอารมณ์อยู่นะเนี่ยมีครยึดเนี่ยพอตื่นยึดปุ๊บอม่านเนี่ยม่านเปิดเลยม่านที่บังตาใจเปิดเลยอ้าวเจอใจที่ว่างเลยอ้าวไอ้ใจที่ว่างมันมีอยู่แล้วนี่หว่าเนี่ยก็ไม่มองไม่เห็นว่าอ้าว็ม่านมันบังอยู่ไงมันยังไม่ได้เปิดม่านหมออย่าพยายามมาเอาความรู้สึกตัวของความรู้สึกตัวเนี่ยไปปวางผมต้อง ต้องปล่อยวางไมมแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราทิ้งความรู้สึกตัวมันมีอยู่แต่เราไม่ไปยึดมันให้เห็นว่ามันเป็นสังการกแตง่งมันเป็นชีวิตที่ต้องดำเนินไปด้วยความรู้สึกตัวแต่เราอย่าไปยึดมันก็ปล่อยมันรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวนี่แหน่วิธแตนะ่ไ ม, ม่มีคนไปยึดแค่นั้นแหน่ว่าก็เลยพบใจที่ว่างปล่อยยะปล่อยว่าตรงนี้หลวงตาหมายถึงให้ปัญญาใช่ไหมครับคือเราเราอย่างหลวงตาพูดมาอย่างนี้ครับมันก็จะพิจารณาตามจะเป็นญาพม่น่าตาม เจ้าปัญญาพี่าตาบว่าคนนี้เป็นสังขารสังขารพระเจ้าตัดเราไม่ยึดไม่ได้เราสังขารเป็นของไม่เที่ยงเราสังขารต้องเป็นสิ่งที่แตกดับสังขารเป็นสิ่งที่ปุงแต่งยึดยึดไม่ได้เป็นของไม่ไม่เที่ยงไม่มีแก่นสารสาระที่เจ้าตัดบมคราชเธอจึงดูสังขารดูโลกเนี้ยสังขารทั้งหมดเนี้ยเป็นของว่างโมคราชเธอจงเห็นโลกนี้มองดูโลกนี้เป็นของว่าง โลกทำไมถึงเนี่ยสังขารร่างกายเป็นสังขารปุงแต่งแล้วก็สังขารเวทนาสัญญาสังขารสัญญาเป็นสังขารปุงแตง่งเขเรียกว่าปรุงแตง่งมันแต่งในขันอ้าป็นสิ่ที่ปุงแต่งมามว่างป่าวจากตัวตนว่าป่าวจากตัวเราตัวตนของเราเป็นสิ่ปุงแตง่งผสมกันมาณแล้วก็ดับแต่งดับสลายหายไปกับตื่นสู่ความธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็่านรู้ที่ว่ามป่าวตามเดิมบอมมองดูโลกที่เป็นของว่าป่าวมันก็เลยไม่ยึดเนี่ยบอมไม่ยึดกับรู้อรหันตเลย เมื่อก่อนเนี่ยทั้งอา่านมาตั้งหลายรอบแนละ้วตรงเนี้ยเวลาใจมันไม่เป็นนะไม่รู้เรื่องเลยอา่านตรงเนี้ยตั้งหลายรอบเพราใจไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยก็แหละมองอย่างไงมองโลกเป็นของว่างเปล่าแล้วที่ท่านก็ขยายความว่าโลกรวมทั้งร่างกายด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เรียกว่าโลกไอ้ร่างกายก็เป็นโลกเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณ ที่เป็นนามาขันก็เรียกว่าโลกขันห้าเรียกว่าโลกหมดเธอจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่ามองยังไงเป็นของว่างเราก็ทําเหมือนท่านโอเมื่อก่อนเนี่ยอย่างนั้นก็มองให้มันว่างไปเลยคือว่างไปเลยสร้างว่างเลยมองให้มันเป็นอากาศไปเลยเข้าใจว่ผิดอย่างนี้ไหมพักใหญ่นะเข้าใจว่ามองแล้วมันว่างไปเลยให้มันว่างไปเลยตรงเนี้ยเข้าใจผิด ก็จะมาเข้าใจโอ้ไม่ใช่มันไม่มีอะไรไป็นเกณฑ์สารสาระว่ า, จากกนจะเกณฑ์สารสาระที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันก็ปล่อยวางปล่อยวางมันก็เลยพบใจที่ว่างบ่ปล่อยวางเนะจะพบใจที่ว่างพอพบใจที่ว่างก็จะผิดอยู่นานคือพยายามยึดถือใจที่ว่างไว้คืออยากให้ใจว่างอุย๊ยตรงว่างนี่ไม่เคยเจอเว้ย ไม่เคยเจอว่ามันว่างดีกว่าเนี่ยพอว่างเจอว่าโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยไม่เคยเจอใจว่างเลยพอเจอใจว่างตื่นเต้นตื่เนเต้นตอนนี้ยหลงอยู่นาเลยเนี่ยหลงยึดพยายามจะรักษาความว่างไว้ให้ใจมันว่างไม่ยอมให้อย่างอื่นเข้ามาแพร่พันเลยตรง น, นี้ยกว่าจะมาเข้าใจอ่ะเฮ้ยผมมันยึดถือความว่างมันก็ยึดถืออ่ะ พนิพามันคือมันสิ้นผู้ยึดถืออ่ะพนิพานมันไม่ใช่ความว่างไม่ใช่ว่าไปยึดถือความว่างพนิพานมันใช่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวพนิพาเนี่ะไม่ได้ไปยึดถือความว่างพนิพาเนี่ยคือมันสิ้นผู้ยึดถืออ่าเฮ้ยมันคนละเรื่องเนี่ยวะเนี่ยเราพยายามจะยึดให้มันว่างเว้ยเราเข้าใจพนิพานมันคือความว่างนิพานนางปารังสุนยังพนิพานคือความว่างเราก็ยึดถือความว่างเลยนะเนี่ย้ยปฏิบัติก็หลงหลแบบเนี้ย่าจะเข้าใจอ่ะเราก็หลงมาก่อนนะ เลยยึดถือความว่างนะที่เป็นหลวงทาสร้างว่างแล้วก็ไปยึดว่างใช่เออเออมันก็เลยเข้าใจว่านิพพานเท่ากับว่ามันไป็ไปคละตัวกับนิพพานเท่ากับว่างมันก็เลยว่าแต่มันว่าจริงๆนะคือมันว่างจากความยึดถือมันกระใจมันก็ว่างเพราะไอ้ใจว่างมันว่างมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไอ้ใจว่างเป็นนิพพานอมปสิ้นความยึดถือเน่ะมันก็เหลือแต่ใจว่างกับไอ้ตัวมีตัวปรุงแต่ง แต่เวลาคุณไปยึดถือความว่างมันไม่ว่างเออมันไม่ว่างนะใจไม่ว่างเลยมันแน่นได้หมดเลยว่าอะไรมันอยากจะว่างมันเป็นกิเลสไะแต่พอคุณเริ่มยึดถือความว่างมันว่างก็คือว่างอันเดิมนั่นแหละไม่ใช่ว่างอันใหม่นะคือใจที่ว่างเนี่ยที่พม่าณเอาวิชามันบางตาไม่มันยึดถือฐันห้าแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นความว่างแต่พอเราอยากได้ให้มันว่างอย่างนี้ตลอดไป มันให้ว่ามันเน้นเเดี๋ยวพุงว่าเดี๋ยวมันเน้นเเดี๋ยวก็ว่าว่าเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยก็เน้นเอย่างเงี้ยนี่เพราะว่าเราจะยึดถือว่างให้อยู่ไงอันเนี้ยเราก็หลงอยู่นานนะพอแล้เราพึ่งดักว่าก็ว่างไปวะมันยึดถือมันไม่เอาก็ได้วะอย่างเงี้ยพรไอความยึดถือพอปล่อยวางความยึดถือความว่างไอ้คาว่าก็เป็นเอาว่ากันเดิมไปเนี่ยและไอความปรุงแต่งขันหน้าก็เป็นปรุงแต่งกันเดิมเนี่ยไม่ได้เหลือแต่ความว่ากับความปรุงแต่ง แต่อีตอนอะว่างว่างอะแรกเจอมันตูดเต้นตูดเตะนแล้วยึดมันเลยเพราะว่าบนท้ายเนี่ยมันเป็นความว่างอะว่างอันเดิมเนี่ยนิพานนางปลาะบางส่วนอย่างเราคือมันมันพอมันสิ้นยึดปุ๊บนะนิพานะมันก็เลยว่างใจมันก็เลยว่างมันก็คือใจว่างอันเดิมเนี่ยแต่มันว่างว่างแล้วมันสิ้นยึดอะแรกมันว่างแล้วมันไปยึดว่างแต่พอสิ้นยึดมันก็คือว่างอันเดิมนั่นแล้วเราจะสังเกตได้ ถ้าเราหลงก็ไปยึดว่างทั้งที่มันเป็นว่างที่ทิพันเดิมนั่นแหละก็มีโดสเบนยึมีตัวเราไปยึดก็เราจงเกตได้คือว่าเราต้องปล่อยวางอะแสดงว่าเรายังไม่ปล่อยวางไอ้เราปล่อยวางให้สังขารทั้งหมดอะเพราะว่าไอ้ตัวที่ไปยึดได้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องไปตกปรุงเรามาเห็นในตรงเนี้ว่ะไอ้ตัวที่ไปยึดเนี่ยมันเอาไปยึดอะไรได้ไม่แต่เอายึดความว่างได้แทนที่เราจะไปไปจ่ออยู่ตรงว่าง แ, <น>แล้วก็พอพลิกกลับมาเห็นไอ้ตัวที่ปรุงไปยึดความว่างตรงนี้นะคือแทนที่เราจะไปจาะอยู่ตรงความว่างแล้วเราก็ปล่อยวางตัวความว่างนะคือเราเนี่ยมาเห็นไอ้ผู้ยึดความว่างเป็นตัวปรุงคือมันต้องปรุงไปยึดความว่างอยากว่างยึดว่างอยากให้ว่างมันเป็นตัวปรุงพอเราปล่อยวางตัวปรุงอีกหัหนึงไอ้ปรุงที่ไอ้ตัวปรุงที่ไปยึดว่าง มันก็เลยว่างตอนนี้ไอตัวปุ้งก็เป็นตัวสังขารไปเลยเรียกว่าปล่อยวางทั้งสังขารแล้วก็ปล่อยวางทั้งวีสังขารคือความว่างไม่ใช่ว่าเราไปจ่อว่างไว้แล้วจับอยู่นั่นไม่ใช่ทุกขณะที่มันว่างแล้วยังมีใะรสักอย่างนึงที่พยายามจะไปเอาเออเออเราไปเห็นว่ามีใครสักอย่างหนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยนะจะไปเอาความว่างแล้ว เ, เ, เราก็ไปเหยาะกลับไปเห็นมัในในตัวเราทิ้งแล้วเราก็ปล่อยวางตัวเราที่จะ <า S 1> ไปเอาความว่างมันก็เลยเป็นความว่าง ว่มันจะไม่มีตัวนี้เลยเลยครับไม่มีตัวที่จะไปเอาเลยครับตรงนั้ไม่มีอ่ะมันก็เหลือแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวที่มันยิ้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิกับความว่างไอ้ตัวที่ไปเอาไม่มีหมดหมดไปเพราะถ้ายังมีตัวจะเอาอะไรมันใจไม่ว่างอ่ะโอมันเป็นกิเลสอยู่มันมีเอาวิชาอยู่ไอ้ตัวจะเอาเป็นอาวิชาเอาวิชามาบางอีมาบางใจที่ว่างอีกเป็นเลยว่างมั่งไม่ว่างมั่งว่างมั่งไม่ว่างมั่งที่ตอนที่แป๊บหนึ่งไปรวยใหม่อ่ะตอนนั้นยังไม่มีเอาวิชากับความว่าง เหมือนกับเด็กยังไม่เคยได้ของเล่นอะไรที่มันถูกใจก็ว่าเจ้าใหม่ปุ๊บอ๊แต่พออุ๊ยโอ้โหอันนี้มันสุดยอดพวกจะรู้แน่แนะแต่มันเกิดขึ้นที่หลังมันว่างก่อนคือไปพบก่อนแล้วมันอยากได้ไก่พวกนึงคือยังไม่รู้ของว่างคืออะไรเลยอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้ลมๆแรงๆยังไม่รู้เลยของว่าคืออะไรไก่พวกนึนไปเจอแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็อยากได้อยากได้ไอ้ของวางนี้ไปเห็นแล้วไงคือพวกนึงเห็นแล้วแล้วอยากได้ แต่พวกนึงไม่เคยเห็นเลยแต่ฟังว่าเขาพูดว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อยากได้เหมือนคนสองประเพทอ่ะไอคนหนึ่งไม่เคยเจอแล้วไม่เคยเห็นแต่มีคนพูดว่าฝ่ายไอ้มือนมันดีน่ายไอเดียมันสุดยอดมันอย่างนนอย่างงี้ไม่เคยเจอแต่อยากได้แหละเพราะว่าเขาพูดว่าไอเดียมันความว่างเนี่ยมันดีความว่างมันดีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไอความว่างมันเป็นยังไงวะใจว่างเนี่ยมันไม่เคยรู้เรื่องแต่มันอยากได้เพราะเขาพูดกันแต่พวกนั้นก็คือว่า ขนาดจิตที่มันปั๊บมันไม่ยึดอะไรอ่ะอยู่ยังปกติไม่ได้เข้าไปยึดอะไรขนาดจิตเซียวทีเดียวนี่กาลังกินอะไรบางทีอะไรเนี่ยมันพวกที่ดูจิตมาตลอดอ่ะไม่เข้าไปยึดอัลกาอะไรแล้วมันขนาดจิตที่มันไม่พยายามเอาตัวมันอะไปไปดูไปรู้ไปยึดอะไรไปปล่อยวางอะไรอ่ะมันก็คือมันก็ดูจิตรู้จิตรู้อาการอะไรเนี่ยแล้วก็ฝึกไม่เข้าไปยึดอะไรขนาดที่มันอยู่เพิ่มเพิ่มที่มันกินอะไรหรือว่ามันจะทําอะไรไปแปลงฟันหรืออยู่ๆก็แปลงฟันมาโดยไม่ยตอนนั้นไหะคิดว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปคิดว่าจะฝึกจิต เสี้ยวิธีนี้ไม่ได้คิดวาฝึกจิตแต่หมายถึว่าผู้ที่ฝึกจิตมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกจิตแล้วมันพลอพลอเงี้ไม่ใช่คือไอ้ผู้ที่ฝึกจิตมันรู้ละปล่อยวางมานานแล้วเนี่ยแต่มันไม่ไม่เลิกรู้ละปล่อยวางสักทีไอ้ตัวที่ปัญหาเกี่ยับมาอยู่ที่ไอ้ตัวพยายามรู้ละปล่อยวางปัญหาเกี่ยกับมัอยู่ที่ไอ้ตัวพยายามรู้ละปล่อยวางแต่นี่ไอ้พวกนี้มันทํามานานแล้วไงแต่อยู่ๆว่ะมันเกิดขณะจิตมันไปทาอะไรเข้าที่มันมันไม่ได้เออมันมันเลิกมันเลิกฝุดจิตไปชั่วขณะ หรือว่าจะไปหยิบอะไรเข้าหรือว่าจะนั่งซ่วมหรือว่าจะทำอะไรที่มันมนขนาดนั้นอะที่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดว่ามันจะไปละปล่อยวางอะไรมันพล็อคอ่าเฮ้ยแล้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมใจมันว่างไปหมดเลยวะแล้วก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่ามันมายังไงวะเนี่ยคืองงๆไปไเลคือฝึกถัศตายไม่เป็น แล้วเป็นอย่างเงี้ยพวกถ้าตายไม่เป็นมันเป็นเนี่ยหลายหนมากเลยคื อ, อพอจะหย่อนก้นนั่งส้วมเน่ะพออีตอนที่หย่อนก้นนั่งส้วมไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่คิดจะฝึกการิตอะไรเพา อ, อีตอนนั้นอ่ะพอจะจะหย่อนก้นนั่งส้วมอ้าวเพราะเฮ้ยเดีย๋ยวไม่ทำจะนั่งเลยนัมาใจว่างเงี้ยวะเนี่ยเดยวไม่ได้ทําอะไรเลยทําแทบตายไม่เป็นไว้โอ้โหหายเหตุผลตรงเนี้ยนานเป็นปีๆเลยคือพยายามหายเหตผลมันกลับมาเลยไม่ว่างเลยเพราะหายเหตผลอ่ะ เพราะอะไคือตอนมันว่างไปไม่หายเหตุผล e. งงไงเพราะกลับมาเหตุผลไม่ว่างเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะแล้วไมเข้าใจว่าเราจะเอาเหตุผลมันให้ได้ว่าเหตุอะไรเพราะว่าเราจะให้มันว่างตลอดไปไงเราจ้งว่างตลอดไปนะเราก็เลยหาเหตุผลเลยเฮ้ย hey, มึงว่างได้ไงวะถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเราเจอเหตุผลนะตอนนี้ยเราก็จัดเหตุอันไปได้ที่ทําให้ไม่ว่างแล้วกลับมามีเหตุทําให้ว่างเนี่ยเราก็ทําเหตุที่ทําไม่ว่าง แล้วก็ใจแบบนี้ไงตอนที่เราเฮ้ยมันทาไมเกิดตอนเราไม่รู้สึกตัวทุกทีวะเอีเราก็เราไม่รู้สึกตัวเฮ้ยทำไมมันเกิดตอนเราไม่รู้สึกตัวแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งเพราะว่าเราพยายามรู้ล่าปล่อยวางมาตลอดรู้สึกตัวรู้ล่าปล่อยวางมาตลอดรู้สึกตัวรู้ลาาปล่อยวางแต่ตอนนั้นเราวางความรู้สึกตัวไปเสี้ยวันนี้เราวางรู้สึกตัวมันพล็อไปว่างแล้วอ้าวเฮ้ยอย่าไปทําอะไรมาเลยมันว่างแล้วจะไปไงถูกวะเนี่ย คือมันว่างแล้วจะทํายังไงต่อวะเนี่ยเท่าใจว่างตลอดไปตอนนี้เอาแล้วควานหาเหตุผลและพราะควานหาหยผลไม่ว่างเลยกว่าจะมาเข้าใจเหตุผลเนี่ยโอ้โหไอทีก็มาเข้าใจเหตุผลว่าไอทีมันไม่ว่างเพราะเออกลับไปหาเหตุผลนี่แหละไอตอนที่มันว่างเนี่ยเพราะมันไม่หาเหตุผลอะไรมันไม่พยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรไม่พยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรมันเลยว่าง แต่อิ่มไม่ว่ากลับมาไม่ว่างเพราะเอ็งกัพยาวยาจะไม่หายเหตุผลให้กลับมามันว่างตลอดเนี่ยก็คือเท่ากับยึดความว่างอีตอนแรกไม่เคยเจอเหมือนเด็กอะแล้วเปลี่ยบเหมือนเด็กไม่เคยเจอของเล่ออันนี้ยผมไปเจอเข้าอยากได้อยากได้อยากได้ตอนแรกไม่ไม่เคยเจอกัพอเจอเขาอยากได้อยากได้อไดเอแล้วมันก็หายไปไงเพรมันหายไปแล้วเพราะอะไรมันชินมันเคยชินกันรูล้ละไปวางรู้ละปล่อยวางมันก็กลับออโต้อัต โ, ตโนมัติเอ อ, อ แ ล, ลแล้วเราก็หมกมุ่นเลยตอนนี้ยห ม, หมกมุ่นกลับไปหาเหตุผลว่ามันว่างได้อย่างไงอยู่วะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างมันว่างไปไงวะแล้วเราเราจะตอนนี้มันยุ่งไงเพราะอะไรเราก็แก้งกลับไปไม่ทําอะไรออตั้งใจทำเออตั้งใจทําให้ไม่ทําอะไรเออก็ลองทุกอย่างนะเพราะอะไรอ่ะคือมันไม่ทําอะไรนันเป็นไงเออแตอนนี้เราอยากได้ความว่างแล้วไงเราก็ไป ไปทําให้เราไม่ทาอะไรมันไม่ว่างมนไม่ว่างอ้ยเล่นเอาเถอเจ้ารอกกับมาตรงเนี้ยแล้วก็ไม่จะไม่เข้าใจเหตุผลอ่ะไม่มีใครสอนไม่มีใครชี้แนะมันก็อุ้ยเล่นอเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่อย่างงี้วะนี่ม่นอย่างงี้วะเอ้ยทำไมมันอย่างงี้วะมันว่างอะไรมันไม่ว่างแล้วไปแก้ทํำให้มันว่างมันก็ไม่ว่างอีกเอ้ยอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สึกตัว มันว่าแต่ตอนหลังมันเกิดบ่อยมันเริ่มเกิดบ่อยมันเคยเกิดครัง้งมันเริ่มเกิดบ่อยเกิดบ่อยตอนที่เราเนี่ยวางความรู้สึกตัวจริงๆคืนไปด้วยว่าแก้จะวางรู้สึกเจนเจนเอื้อมือจะไปหยิบแป้งที่ฟันนะ้ำแปง้งอ้าวเฮ้ยพล็อกไปหรือวหรือจะทําอะไรที่เราเราตั้งใจจะเราจะไปหยิบอะไรสักหน่อยตอนนั้นเร า, เราลืมไปว่าลืมลูลูร่าปวางในจิตมันพล็อกไปเลยแต่ต้องเป็นเสี้ยววิธีเดียวนะเพราหลังจนากนั้นเราปรุง ลังจ้เราปุงเลยเฮ้ยว่าอีกแล้วมึงว่าอีกแล้วมึงว่ายอีกแล้วตอนนี้ทำยังไงว่ายมันจะว่างตลอดวะนี้อะไรเอาอะไรเราปุงทุกทีเลยอ้ตรงเนี้ยมันเร็วมากนะเราก็ไม่รู้เหตุผลมันไงแล้วเออความอยากมันมันเกิดขึ้นตอนที่มันรู้ทุกทีแต่เาเรามันจนจนมัน้นในตัวนี้นคาอยากมันหมดไปมันจะมันจะไม่จะเป็นไอตอนเราไม่เห็นว่าอ๋อไปเห็นไอตัวที่ มันมันมันว่างแล้วมันมีตัวเข้ามายึดมีตัวสังขารที่เข้ามายึดมาปรุงหาวิธีทุกอย่างมาปรุงทำเป็น น, น่นทำเป็นนี่ตัเคาะวิเคราะวิจารวิจัยทำเป็นว่างทําเป็นอะไรหลายอย่างแตละพัฒน์ล้วนแต่ปรุงทั้งหมดอะ่ะจริงมันก็เหมือนแบบแบแบไหนปุ๊บมันก็เห็นพุ๊บหน่อยนะึงวิชาเขปิดใหม่เออปิดใหม่หมดพอไปเห็นพุก็พออยากพออยากพุบเอามันก็วิชามาปิดเออปิดแต่เราก็ไม่รู้อะไรเป็นอวิชาง่ะเออมันเห็นไม่ทันคือไม่เข้าใจเหตุผล ตัวละเรามะไอตัวที่มันอยากให้ว่ามันปรุงทั้งหมดทุกตัวในหัวเนี่ยเลยละตัวปรุงใหม่กับบลัตัวปรุงใหม่เออกับลัตตัวปรุงใหม่พอละตัวปรุงใหม่ตอนนี้มันว่างได้ได้ความสามารถไม่ใช่ว่าว่างเพราะแก้งไม่ทาอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่ทาอะไรเพราะอะไรเองพอละตัวปรุงใหมันก็ว่างในความสามารถอตัวขันห้าตัวปรุงแต่งขันห้าน่ะ คือมึงจะปรุงอะไรก็ช่างมึงเหอะมึงจะปรุงเป็นความอยากกูก็เห็นมึงสังขารทั้งนั้นแหละมึงจะปรุงเป็นอะไรมึงก็สังขารทั้งนั้นแหละมึงไม่อยากมึงไม่ไม่เป็นสังขารแล้วมึงจะปรุงได้ยังไงวะปรุงเป็นความอยากอยากได้อยากเอาอยากางจางจางจางจแล้วมันเอาอะไรมาปรุงได้มันมีแต่ความปรุงแต่งกับความว่างสองอย่างแค่นั้นะไอ้ความว่างมาปรุงไว้ได้ไอ้รที่มันปรุงเป็นความอยากได้มันต้องเป็นสังขารสังหารในขันห้าหมดทิ้งหมดเลยวาสังขารในขันหน้าทั้งหมดจะปรุงอะไรก็ช่างมันปรุงเป็นความรู้สึกตัวก็เราก็เห แต่ก็มีความรู้สึกตัวด้วยแต่วางความรู้สึกตัวด้วยคือวางมาถึงว่าไม่เข้าไปยึดความรู้สึกตัวด้วยแต่ก็รู้สึกตัวอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดความรู้สึกตัวเพราะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันปุงหมดแหละมันเป็นสังขารปุงแต่งหมดอะเราก็มายึดมันทั้งหมดพอไปยึดทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นความว่างมานันตอนนี้เอาวิชามันมันเปิดขึ้นเพราความสามารถเราจริงไม่ใช่ว่าหล่อฟุกปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยมันพอเลิกปุงแต่งว่างอพอเลิกพุ่งแต่งว่าง เออตอนนี uh ้พออะปรุงแต่ง uh, ก็ปร uh, ุงแต่งม <Yeah. S 1> ีแต่ไม่มีใจไปไปยึดความปุงแต่งเออมันก <man S 1> ็เลยว่างจริงอย่างนี้ฟันแต่บางคนพอพอไม่ยึดแล้วเนี่ยความว่างที่มันเกิดขึ้นมาที่มันไม่มีการปรุงแต่งแล้วแต่ว่าบางทีเผลอไปยึดความว่างนั้นไปเราแล้มันก็เอาไปไปเอาปุงอะไปปุงมาเอามายึดเอาเอาพุ่งจะเอาปรุงมายึดได้แต่มันก็เผลอมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปยึดอยู่ คืออันนั้นก็ยังก็ไม่เห็นแต่ว่ามันก็มันยังเห็นเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็มีการยึดอยู่อันนี้คือต้องต้องสังเกตอย่างเดียวเลยสังเกตอย่างเดียวสังเกตไอ้สังเกตไมหมว่าอ้าวเฮ้ย ม, มันต้องมังมนต้องมีผู้ปรุงอะมันถึงไปยึดได้<ะ>ต้องใจปัญญาแล้วเราถ้า<ะ>ใจปัญญาวิเคราะห์ว่าก็มันเป็นธรรมชาติมีแค่สอย่างระหว่างความปรุงได้กับปรุงไม่ได้ไอ้ใจที่ว่างเปล่าเปนธรรมชาติที่ปรุงไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ปรุงไม่ได้ไอ้ที่ปรุงอะไรไปยึดความว่างได้มันต้องอะไรวะอ้าว ถ้าเราไปเล่นกับไอตัวปุงแสดงว่าเราหลงในวันนี่ยแล้วมันอวิชามันคือความหลงทางนั้นนหละแล้วเราไม่ดับอวิชามันเราจะพ้นทุกข์ได้ไงอันเราหลงเล่นอวิชาดังนั้นอย่างอยาปุงไงกูไม่ยึดมึงอยากปุงไงกระช่างเมันเป็นมึงปุงอะไรกระช่างมันไม่เกี่ยวกับกูมันก็เลยปล่อยวางไอตัวปุงมันก็เลยไม่เอาไอตัวปุงออกมันยึดความว่างมันก็เลยเป็นความว่างมันก็ไปในความว่างเลยมีตัวปุงแล้วเราไม่ยึดตัวปุงพอเราไม่ยึดตัวปุงเสร็จแล้ว เราก็ไม่ไม่ไปจับไอ้ตัวปรุงอ่ะมายึดความว่างอีกพอเราปล่อยวางความปรุงหมดแล้วไงเราก็เลยไม่เอาไอ้ตัวไปจับไอ้ตัวปุงมายึดไอ้ความว่างเพราะเราปล่อยวางความว่างหมดแล้วปล่อยวางตัวปุงหมดแล้วพอสิ้นที่จะไปเล่นกับไอ้ตัวปุงที่จะมาอะไรยึดกับความว่างไอ้ความว่างคงเป็นความว่างไอ้ตัวความปุงอยากปุงอะไรก็ปรุงไปเลยมันปรุงอยู่ในความว่างขณะที่มันเจอความว่างใหม่ใหม่ พอไปรู้เหตุแห่งไอ้ไอ้ไอ้ตัวปูงอะเอาไปยึดความว่างไอ้ตัวไอ้เหตุตัวเนี้ยมันหายไปอะมันก็เป็นคนว่างอันเดียวกันที่เจอตอนแรกกันแหละไม่ได้เป็นตัวอันใหม่เลยไอ้ตอนที่เผยเผยปุ๊บอ๋อเฮ้ยว่าไปได้ไงวะเนี่ยอันเดียวกันเลยแต่ไอ้ตอนนั้นอะมันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นตอนนั้นนอะไม่มีปลุกแต่งอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเออมันมีปลุกแต่งกันแหละ นี่เป็นขันห้ายังมีอยู่แต่ไม่มีใครปรุงแต่งไปยึขันห้าก็คือก็ไม่มีุไม่มีการปุงไม่มีการหลงไปปรุงแต่งอะไรอีกเหมือนเดิมคือไอไอขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีใครหลงไปปรุงแต่งเป็นขันห้าแต่ปล่อยวางขันห้าหมดมันก็เลยเหมือนกันนะคือว่าไอตอนที่มันเราเพอเพอไปทําอะไรปุ๊บมันก็จะนั่งซ่วมหรือว่าเราจะแปลงฟันอยู่มันอ้าวพอเราเลิกที่จะดูละปล่อยวางรูลาปล่อยวางล<ะ>็อกว่างไปเลยเอเพราะว่าไอตอนนั้นอะไรว่างอะไรคือว่าเราเนี่ย ไม่เอาตัวเราไปปรุงแต่งอะไรแล้วไงเราไม่เอาตัวเราไปปรุงแต่งอะไรมาเลยไปความว่างเอ่อตอนหลังเรามาไอ้ไขว่ามายึดความว่างเนี่ยเราไปเห็นว่ามันไอ่มันมีปฏิกิริยาจากไม่มีมันมีมันมีวิทยาอะไรก็ได้มันมีปฏิกิริยาบางอย่างที่พยายามจะมายึดความว่างพอเรามาเห็นพวกนี้หมดเราก็ละไอ้พวกที่ที่เป็นปุงหมดเราเรเหมาให้หมดเลยเหมาเค่งหมดเลยว่ามันจะทำวิทยาอะไรก็ตามเหมาหมดหมดเลยว่ามันเป็นตัวปุงเออพอเมาหมดตัวปุงปุ๊บเราก็เลยไม่ปุง ว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตัวปรุงอย่าปรุงก็ปุกไปวุ่นปุงแหละกูเลิกอย่าปรุงปรุงไปเลยเนี้ยเพราะปล่อยวางตรงนี้พวกมันไม่มีตัวไม่มีตัวเราเนี่ยไปตั้งปรุงอะไรมันเลยกลับมาเป็นความว่างอย่างเดิมอีกเพราะไอ้ความว่างตอนแรกที่เจอเนี่ยคือเราเราเลิกปรุงที่จะรู้ละปล่อยวางเราจะไปหยิบแปลงที่ว่านเอแปลงเราจะทําอะไรอ้าวว่างไปเลยเงี้ยเพราะเราตอนนั้นแหละเราเลิกรู้ละปล่อวางไปชั่วเสี้ยววินาทีหนึ่งแล้วก็มันก็ว่างไป มันคือเลิกที่จะเราอาตัวเราเนี่ยไปปรุงรู้ลาะปล่อยวางอะไรพอตอนหลังเนี่ยเรามารู้เองคือไอ้สังขารมันมีอยู่แต่เราเลิกที่จะไปเล่นกับมันคือไอ้สังขารพงแตครับมันมีอยู่แต่เราเลิกแล้วที่จะเล่นกับมันกูเบื่อจะเล่นกับมึงไงมึงก็ชวนมันชวนมาเล่นด้วยพ่อพอมาเล่นด้วยพ่อพอชวนได้แล้วก็พอกะเดี๋ยวพ่อมีงานท้าพ่อไปเล่นด้วยแล้วอะไรคืออันเนี้ยเออมันก็เลยไม่มีตัวเราไปร่วมปรุงด้วย แต่ขนาดยังปรุงอยู่พอพอสิ้นตัวเราไปร่วมปรุงด้วยมันก็แบบเดียวกับเจอความว่างตอนแรกคือไม่มีตัวเราไปร่วมปรุงด้วยรู้ละปล่อยวางมันก็เลยเป็นว่างแต่ น, นั้นน่ะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่แต่เราไปเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวเราไปปรุงเล่นอะไรนี่ว่าไม่ไปไม่มีตัวเราพยายามปรุงรู้ละปล่อยวางมันเลยว่างเว้ยแต่มันว่าไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเรากลับพยายามไปยึดความว่างมันเลยไม่ว่าง แต่ตอนนี้ยเราไปรู้ว่าเอยก็พระมันไม่มีตัวเราปรุงไปร่วมเล่นอะไรมันได้ขันห้ามมันก็ะป nee, ุกมันปล่อยมันเราแต่เราไม่ไม่ค <c oughs> ิดจะไปร่วมเล่นกับมันแล้วเลิกเล่นเบื่อมันพอเบื่อมันก็ไปคลอง้างจริงๆเลยเนี้ยมันมันไม่มีตัวเราไปร่วมปรุงโดยไปร่วมทำระยารุ่งละไปวางอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันก็เล็ดกลับมาเป็คองวางอย่างเดิมอีกแต่ตัวแรกอ่ะมันว่างโดยบังเอิญแต่นี้มันว่างโดยรู้ว่าเออตัวเราเนี้ยเลิกปรุงไปยุ่งกับมันไอ้สังขากระปุกไปเหอะแต่ตอนเนี้ยเราไม่เราว่างแล้ว เราไม่ไม่ปรุงไม่ร่วงของมันเลยเอออันนี้เป็นความรู้เป็นวิชาจริงจริไอตอนแรกยังไม่เป็นวิชาเป็นเหตุบังเอิญเลยไม่เรียกว่าวิชามันเลยไม่ดับจริงอะเอาวิชาไม่ดับจริงเอาวิชาก็กลับมาเกิดอีกเพราะความไม่รู้ไงคอไม่รู้เอาวิชาเลยกลับมาเกิดเนี่ยเหตุผลพวกเนี้ยตอแรกเราหาเหตุผลพวกเนี้ยไม่ได้เราไม่เข้าใจเราเนี่ยพลิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาตัวเนี้ยดูมันหลายรอบ จนเราเข้าใจตรงนี้เราที่จะมาสอนลูกศิษย์ได้เพราะอะไรที่เราเดินนานเสียเวลาช้าไปหลายปีที่กวจะมาเข้าใจตรงนี้รู้ตรงเนี้ยเราไปว่างแล้วเนี่ยปลักเดี๋ยวก็ไปว่างปลักเดี๋ยวก็ไปว่างแต่เราอ่ะทํามันว่าแบบเนี้ยเราจะสอนลูกศิษย์ยังไงวะเวลาเราว่าแบบเนี้ยเขาไสปสอนลูกศิษย์ว่าอาจารย์พบโดยบังเอิญ อาจารย์พบโดยบังเอิญแล้วจะรปสอนลูกศิษย์อย่างไรลูกศิษย์จะไปยังไงอาจารย์พบโดยบังเอิญอาจารย์พบโดยบังเอิญเนราก็ไม่ยอม嘛นะเราก็ไม่ยอมก็หาเหตุผลให้ได้เพราะทำไมมันต้องมีเหตุทําไมมันมันอะไรมันหายไปวะมันต้งมาว่างได้เนี่ยมันต้องหาเหตุผลแต่อะไรมันหายไปหรืออะไรมันเกิดขึ้นมามันถึงมาเป็นความว่างได้มันเกิดมาได้ยังไงต้องหายผลมันเกิดไปได้ยังไงมันเกิดมาได้ยังไงหายผลอยู่เนี่ยโอ้โหนานมากเลยตรงเนี้ยนานมากเลยที่หายผลเพราะอะไรเรากลายเป็นว่า เราไปกลับไปเล่นอีกเอาตัวเราเนี่ยไปเล่นเป็นคนหายเหตุผลมันตายตอนจบคือเราเอาตัวเรากลับลงไปเล่นอีกว่าไปพยายามเอาตัวเราพยายามไปหาเหตุผลเราจะเลิกเล่นไปแล้วแล้วเรากลับเอาตัวเราไปเล่นอีกแต่เนี้มันก็เลยไม่เลิกเราไม่เห็นตรงนี้ไงใช้เวลานาะนงหลายปีอันนียกมจะเข้าใจว่าเรากลับเอาตัวเราไปเล่นเพื่อลูกศิษย like. ์เรากลับเอาตัวเราไปเล่นเพื่อลูกศิษย์ว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกศิษย์มันถามเราอาจารย์ว่างมาได้ไงเออกฟุ๊ฟว่ากูจะนั่งซ่อมแล้วมันอยู่มันเป็นมันเองไง เอออย่างเงี้ยเราก็บอกไปถูกเลยตอเนี้ยพอเราหย่อนก้นนั่งโว่ปุ๊บมันก็พลักว่างเอ้าก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยเลยเออแล้วก็ตอบไม่ได้ตอบลูกศิษย์ไม่ได้แบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องหายผลได้ถ้าหายผลไม่ได้จะไปสอนลูกศิษย์ได้ไงจะไปตอบลูกศิษย์ได้ไงว่าอาจารย์แล้วมันมามาสู่ใจที่ว่างเปล่าได้ไงอะไรเงี้ยมันต้องหายผลได้ว่าเออมันต้องเพราะเหตุแบบนี้มันจะไม่ว่างเพราะเหตุอย่างเงี้ยมันจึงว่างเพราะเหตุอย่างเงี้ยอะไรมันหายไปอ่ะมันจึงว่างเออ อะไรมันมีขึ้นมาจริงไม่ว่างถ้ามีตัวเราไปปรุงแต่งร่วมด้วยมันก็เลยไม่ไม่ไม่ว่างแต่ถ้าไอไอตัวเราที่ไปร่วมปรุงแต่งกับอะไรมันหายไปมันเหลือแต่ขันห้ามันปรุงแต่งแต่ไม่มีตัวเราไปร่วมปรุงแต่งกับขันห้ามันก็เลยไปความว่างโอไอตัวนี้มันหายไปไอตัวนี้ทําให้มันมันว่างไม่เจอเพราะว่ามีตัวเราไปร่วมปรุงแต่งมันกลายเป็นความมีมีไอตัวนี้มีตัวเราไปร่วมปรุงแต่งด้วยมันกลายเป็นเป็นอวิชชามีเราไปร่วมปรุงแต่งด้วยกับขันห้าไอขันห้ามันปรุงแต่งอยู่แล้วแต่มีเราไปร่วมปรุงแต่กััับขนนมเลย กลายเป็นสิ่งที่มีมีการมีมาขวางมาขวางมันเป็นอวิชชามีอวิชชาคือเป็นมา่นานเราบังมองไม่เห็นความว่งางในความที่เราไปปรุงแต่งรวบกับขันหน้าเนี่ยคขามีอาการน้องขันหน้าแต่ไม่มีตัวเราไปร่วมปรุงแต่งกับขันหน้าเออมันขาดไปตัวหนึ่งคือตัวเราเนี่ยเข้าไปร่วมปรุงแต่งไอ้ตัวเนี้อวิชชาคือตัวเราตัวเราเข้าไปร่วมปรุงแต่งแม้แต่เอาตัวเราพยายามรู้ละปล่อยวางเอาตัวเราไปพยายามรู้ละปล่อยวางที่หมอโดยเราบอ ก, บอ ก, บอ ก, บอกว่าตรงคิดตอนที่ไปนวดเรา เอาตัวเราพยายไปรู้ละปล่อยวางอย่างอื่นหมดเลยผมไม่ใช่ไม่ใช่หมอหมอต้องปล่อยวางไอตัวเราที่เราไปร่วมเล่นพยาไ ป, ไปเอาตัวเราพยายไปวางถ้าอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่าเราเอาตัวเราไปร่วมเล่นเอาตัวเราไปร่วมปล่อยวางเราต้องปล่อยวางตัวเราอไอตัวเราเนี่ยที่มันพอมันเริ่มเล่นอะไระแล้วแสดงว่าไอตัวเราไปร่วมแล้วมีวิชาที่จะไปร่วมไปร่วมทําอะไรฮะถ้าเราเอาตัวเราไปรู้ละปล่อยวางทําไม่ตายยังไงอ่ัมันไม่ว่างหรอกมันไม่ว่าเพราะมันไม่เลิกเล่น เอะยังไงก็ต้องไปผ่านการวางบิน ญ, ญาณขันธ์ดี่ถ้าไม่วางก็ต้อเออก็ต้องวางเออใช่วางวางวา ง, วางไอ้ตัวบิน ญ, ญาณขันธ์<ใ>นั่นแหละ <ใน S 1> ก็ต้องวางทำไไมถ้าสุดก็ต้องกลับคนนี้อืมกับพระอนุนเนี่ยพระอนุนที่ว่ายังเล่นอยู่ยังพยายามอยู่เนี่ยแต่พอตอนจะนอนเน่ยไอ้ตัวลงยังไม่ทัถึงหมอนที่ท่านบอกว่าลอาหารตอนนั้นนะคือมันวางแต่ท่านเน่ะมันวางติดต่อกันมานานแล้วไงแต่ท่านหาเหตุผลไม่เจอ แต่พอท่านเจอ ม, มันเจอเหตุผลตรงที่มันมันมันแบบมันมันวางแล้วมันเลิกเล่นจริงจริงมันมันหมดแล้วจริงๆอันนี้วางจริงจริงมันไม่กลับมาเล่นอีกบางคนวางวางแล้วไม่กลับมาเล่นเลยไม่อยากไม่อยากกลับมาเล่นอีกคือวางแล้วก็หายไปเลยแต่เราเนี่ยมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งคือต้องการกลับมาสอนลูกศิษย์ว่าว่ามันมันมันว่าไปยังไงวะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราต้องกลับมาหาเหตุผลได้เราก็เลยเสี๋ยเวลาไปนานมาก เราก็ใจได้ว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยสอนจนหลวงปู่เสาบรรลุอลหรหันต์สอนจนหลวงเจ้าคุณอุบลีเนี่ยบรรลุอลหรหันต์แต่ทำไมหลวงปู่มั่นไม่บรรลุอลหรหันต์เพราะอะไรสอนก็จนหมดเลยบอกเขาหมดเลยอ่ะแต่ตัวเองยังไม่บรรลุอลหรหันต์เนี่ยพอตัวเองหายผลเนี่ยยังหาห้ผลเพื่อลูกศิษย์อยู่ควาเป็นบรารมีที่จะไปต้องช่วยลูกเสียลูกศิษย์อะหลวงปู่มั่นบรรลุอนาคามีที่ทาเนี่ยที่ทำตริกาที่ ที่นครนายกเนี่ยแล้วก็จากอนาคามียไปบรรลุอลหรหันต์เน่ยใช้เ ว, วลาสิบหกปีไปบรรลุอลหรหันต์ที่เชียงใหม่ะที่ทําดอกคําอ่ะใช้เ ว, วลาสิบหกปีเนี่ยตรงเนี้มันเลยทําให้เนิ่นช้ามันเหตุผลมันต้องครบเครื่องที่จะไปบอกชี้แจงเหตุผลกับลูกศิษย์ได้ว่านี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่งงถ้าเป็นอหรหันต์เฉพาะตนเลยไหมไม่ไม่ต้องไม่ไมต้องไปไม่ต้องลำบากเพื่อใครอะไรเงี้ย ท่านก็อยู่ๆก็อย่างบอกองค์ว่พลักไปแล้วก็แล้วก็จบไปเห็นตะลพลัพลักก็จบไปเลยพลักก็จบไปเลยไม่ต้องไหายผลอะไรเล ย, เลยก็เร็วพวกนี้แต่ละท่านองค์แต่ละองค์เร็วมากเลยพลักไม่ต้องไม่ไหายผลเลยใช่ใชนี่เว้นใจวาสนาไม่ได้ทาําอะไรท่านมา แต่อย่างนี้ที่หลวงตาเ ค, คยบอกว่าคือพอมันเห็นเนี่ยมันเริ่มจําหน้าได้จําหน้าได้อืมอั น, นี้คือมันก็จะเริ่มฝอยมากขึ้นนิดนึพอฝอยแล้วมันก็กลับมันเหมือนเดิมแต่มันก็รู้ช่องมันเริ่มเห็นช่องว่าวิธีการที่วางวิญญาณาขานใหม่เนี่ยมันจะเจอตรงนี้ใช่แั้วนี่คือการจําหน้าเขาได้จําหน้าได้แ ล, แล้วเราจําเหตุได้ครับคือเราจําหน้าได้เราจําเหตุได้แต่เราไม่เข้าใจเหตุผลจําหน้าได้จําเหตุได้ไม่เข้าใจว่าคือจําหน้าได้ว่ามันพล็อคเราไปวาง เขว่าง um, แล้วขนาน่าอย่างยุกยิบยุกกิบุกยิบแต่ไม่มีใครอยู life, ่ก <housekeeping. S 2> you know. ับขาน้าในใจเลยแล้วใจมันก็ว่างเนี้ยแหละเราจําผลได้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจําได้ตอนที่ก่อนเสี้ยวนาทีก่อนที่มันจะมาว่างคือเราไม่ได้ทําอะไรคือตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้คิดตั้งใจจะรู้ละปล่อยวางเราไม่ได้ทําอะไรตอนนั้นอ่ะมันบังเอิญทุกครั้งที่เราที่เราจำเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ตั้งใจจะรู้ละปล่อยวางแล้วมันเป็นเองเราสังเกตเห็นอะไรตรงเนี้ยหลายครั้ง พอระดณะที่เราเนี่ยไม่ตั้งใจจะรู้ละปล่อวางรู้ละปล่อวางรู้ละปล่อยวางไม่ไม่คือเราไม่ตั้งสติเล้ไงเราเราไอตัวที่เราพยายามตั้งสติไว้เนี่ยตั้งสติรู้ละปล่อวางตั้งสติรู้ละปล่อวางเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ตอนนั้นนะเหมือนกับถ้าเราบอกทิ้งสติเดี๋ยวคนก็บอกไปฟังเข้าใจผิดคือไปทิ้งไงพาอาจารย์ทิ้งสติแล้วเลยว่างไม่ใช่นะคือมันทิ้งสติที่ปรุงแต่งผิดเนี่ยมันผิดมันคือเราไปปรุงแต่งแบบว่าปรุงแต่งสติผิดมันไม่ใช่เป็นสติที่ สติปัญญาที่มันเข้าใจไอ้ตัวเนี้ยไอ้เข้าใจเหตุผลที่ว่าตัวปุ้งแต่ตัวเราไปลงเล่นเนี่ยไปไปรู้รากปวางเนี่ยเรายัางเล่นไอ้นี่หลงไปเล่นไม่เลิกอ่ะไอ้ตัวที่เรามารู้ที่หลังว่าเราเนี่ยหลงเล่นไม่เลิกอันนี้คือสติปัญญาตัวจริงไอเราไปตั้งสติคอยรู้รากปลวางอันนี้เราเป็นสติปอมเราลงไปเล่นหลงไปเล่นอันนั้นไม่ใช่สติแต่เราเข้าใจว่าเป็นสติมาตลอดตัวนี้เรากาสังเกตเอากับ ก่อนมันว่างเสี่ยวนาทีก่อนว่างเนี่ยมันคือขานาดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปรุงอะไรไม่ได้ปรุงรู้ละปล่อยวางแต่เราไม่เข้าใจแรละว่าอันนั้นน่ยมันไม่ใช่สติแต่เราก็เข้าใจผิดอีกว่าเราปล่อยวางสติไปเราเลยต้องกลับมามีสติเราปล่อยวางสติไปเราก็เจอว่าตัวนั้นเป็นตัวสติแต่เราว่ามันขาดสติมันมันขาดสติไปเราขาดสติไปแป๊บหนึงเราไม่ได้ขาดสติคือเราเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้ละปล่อยวางแต่มันเหมือนกับ เราไม่เข้าใจตรงนี้เราเรเลยกลับมีสติอีกกลับมามีสติรู้ละปไปวางอีกเพื่อจะไปหาเหตุผลตรงนั้นเป็นสติที่สร้างไม่ใช่เป็นสติจริงๆเป็นสติที่ปรุงแต่งสร้างมาผิดมันผิดมันผิดไม่ใช่สติเราเข้าใจว่าผิดและหลายคนก็ทําแบบนี้นะเข้าใจผิดคือสติที่สร้างเออเออสติขาดแล้วตั้งสติใหม่สติขาดแล้วตั้งสติใหม่อันนี้ไม่ใช่สติอันนี้มันก็เหมือนกับใช้สติ มาที่ปัญญาที่สังเกตปัญญาณขันไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แล้วช่วงเวลาที่เขาความละเอียดที่มันจะเห็นถี่ขึ้นเร่ที่มันละเอียดมากขึ้นเรื่อยนัมันมีช่วงจังหวะที่มันปล่อยวางตรงนั้นก็คือปล่อยวางสติมาที่ปัญญาที่เป็นเราเนี่ยนะมันก็จะเกิดเห็นไอ้ธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นไปเห็นในนี้มีสติปัญญาเนี่ยมีสติที่ท่านว่าหรือสติแล้วไปไปในสติตัวปลอมเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสติมันเห็นว่าจะเป็นปลอมไม่ใช่สติเออมันเห็นว่าไม่ใช่สติอันนั้นนะ ไปนะมันตัวปลอมมันตัวปรุ ง, ปงแต่งแต่เราไม่รู้ว่าไอตัวที่รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยตั้งสติเป็นตัวปลอมไอตัวนี้คือสติที่แท้จริงสติปัญญาที่แท้จริงอา้าวไอนี้มันมันตั้งสตินี่หว่าเนี่ยมันสติตัวปลอมไอตัวนั้นคือสติปัญญาไอสติปัญญาที่แท้จริงอที่มันเกิดขึ้นมานี่เนี่มันทําให้สติตัวปลอมเนี่ยมันหมดคุณค่าไปเหมือนหลวงปู่เทียนเนี่ยพยายามดูพยายามตั้งสติมาดูความคิดทุกความคิดอะ ดูดูดูดูอยู่นัา่นจาูก็สามารถรู้ทุกคิดอ่ะไม่ปรรู้นิพพานอ่ะมีใครมายันมาสุกสี่ข้างท่านจนท่านเซไปท่านก็หันมาหาพูดบุติ ม, มยันมายันท่านมาสุทาาากท่า น, น, ก, าน ก, ก็หาไม่เจอมาผักท่านหาข้านีวผักท่านก็หาไม่เจอเอ๊ไม่รู้ทาไอ่ะไม่เจอเอ้าพอหาไม่เจอปุ๊บตั้งสติใหม่ตั้งสติมาดูความคิดใหม่จึงรู้ว่าไอ้สติที่มันมาตั้งมาดูความคิดมันตัวบุงแต่มันไม่ใช่เป็นสติแต่ไอ้ที่มาเห็นะ ม่าเห็นว่าอ้าวนี่มันสติปรุงแต่งนี่ว่าเมื่อกี้ตอนเราไปหาคนที่มาผักเราเนี่ยไอตัวตั้งสติไว้อ่ะมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้เราหาคนผักไม่เจอเราก็เลยตั้งสติมาเนี่ยจะมาดูความคิดมาให้ได้เห็นทุกคิดแล้วไอตัวสตินี่มันสติปรุงแต่งนี่มันไม่ใช่เป็นสติแต่ไอสติปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือไอสติที่มารู้ว่าเราเนี่ยตั้งสติเป็นตัวปรุงแต่งไอเนี่นี่คือสติที่แท้จริงสติปัญญาแท้จริงเออเห็นกับเด็กต่าง ว่าอน่นมันเฮ้ยมันไม่ใช่หนิว่าอะไรแสดว่านี่ตั้งตั้งดูให้ตั้งตลอดเออตั้งตลอดเย๊ะมาโอ้โหอย่าไรว่าไปเดือนเดือนเดือนรู้กิจเดือนจาไม่ได้แล้วจริจริงคือถ้าคนที่ตั้งอย่างนี้ได้หมายถึงว่ามันก็มันก็เป็นสังขารก็คือแต่ไม่เห็นว่าตัวเองไปตั้งเออเวลาเราสอนเราใช้คำว่าหลงว่าตัวเราไปเล่นมันก็เลยจับมันคนก็ฟังไม่เข้าใจ คือหลงเอาตัวเราไปเล่นเอาไปตัวเราไปตั้งสติเอาตัวเราเอาตัวเองไปรู้ละปล่อยวางเอาตัวเองพยายามไปทําอะไรพอคนฟังเราก็ฟังไม่เข้าใจจริงๆถ้าเราเรารู้ละปล่อยวางมียันต์ขัไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆท้ที่สุดมันก็จะจะเจอก็เจอไม่เจอก็ช่างมันก็ทุกปล่อยวางเพราะเพราะว่าทุกทุกขณะปัจจุบันจะมีความเป็นเราเราแทรกขึ้นมาขึ้นมาเขาแค่เห็นไปอย่างไปอืมอือย่างนั้นแหะเดี๋ยวมันเป็นสังขารพุ่งเต่มหมดสังขารพุ่งเต่มหมด พรว่าถ้าละเอียดมันจะเห็นเวลามันปูงขึ้นมาว่ามันจะเริ่มไปยึดมันก็จะเห็นอันปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟมันจะเป็นยังไงครับช่องมันมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาครับโผล่ใช่ใช่พวกท่านเดินทางง่ายมีคนมาคุยทางไม่ให้หมดเลยเหมือนกับเราเดินทางรกเนี่ยยากรกแล้วเราก็หดนำหน้าไปก่อนแล้วพวท่านเดินตามหลังเดินง่ายให้เดินตามหลัยืนปลาแจกอาวุธให้ด้วยผมว่าฟังต่อคือมว่าง่าย เป็นเย่อะลาทำนอง น, นี้มันเริ่มรู้สึกว่า <c oughs> ใช่ที่อบอกว่าเอ๊เคยเคยได้ยินมาว่อย่างนี้เคยเป็นอยู่นี่เราเดินนะเราเราถือว่าเราเป็นรุ่นบุกเบิกกว่าฟงหนาเลยตรงเนี้ยเพะ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ท่านเราไปถามท่านที่ท่านบรรุอะรหารนั้น้วก็จะจะเล่าจะจะชัดเจนในในตัวนี้ท่านตอนท่านขณะที่ท่านบรรลุ แต่ที่ขณะท่านมารลุเรามาทำเป็นตามอย่างท่านเราไม่เป็น อ, อมันเป็นของใครของมันไงแต่ท่านมันพอกไปแล้วพอกไปแล้วแล้วท่านต้องมามาให้ผลอะไรมันก็พอกไปแล้วก็เลิกไปเลยเว <c uman> ลาเราคาดการณ์ต่างมาจี้ให้ผมหน่อยครับจี้ให้เก้ากับผมหน่อยจี้ผมหน่อยที่สอนผมหน่อยจี้หน่อยใครบอกใครได้ไม่ได้จริงๆแล้วมันคือพินที่ขึงมาอย่ไหมไม่ตึงไม่หย่อน ในความเพียรต้องมุ่งมากก็เสร็จถ้าหย่อนก็เสร็จทางสายการตั้งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันความตึงความหย่อนตังแต่ละคนน็ไเราต้องรู้เหตุผลของตัวเองชัดเจนเวลาเราไปเห็นพวกท่านเนี่ยเราจึงรู้เหตุผลว่าท่านทำผิดแล้ในจิตท่าทำผิดละทำผิดละทำผิดไอ้ทำผิดอย่างเงี้ยเราเคยเดินทางมาก่อนละทำผิดอย่างนี้เราเคยเดินทางมาก่อนแล้วทำผิดอย่างนี้เราเห็นมาเลยก็เห็นของท่านเนี่ย โอยอย่างนี้เราก็ทำมาแล้วอย่างนี้เราก็ทํามาแล้วไอ้ทำสืบแต่เนี้ยเราก็ทำมาแล้วอย่างนี้เราก็ทำมาแล้วแล้วเราอ่านข่าวมาแลยวว่เราอ่านของเราองค์หลวงมานานไงเราเห็นพระท่านทำอ๋อหลงยังไหมหลงหลงแต่เราพอเราเห็นแล้วเราใช้ภาษาพูดเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเพราะอะไรเราจะเข็นคําพูดว่าพยายามจะพูดยังไงให้คุณเข้าใจอ่ะเราก็เปรียบเทียบโน้ตเปรียบเทียบนี่ยกตัวอย่างโน้ตยกตัวอย่างเนี้ย นั่นก็บอกว่าไม่พออาจารย์ยกอีกยกอีกมันคิดไม่ออกเว้ยมันู้ยกอะไรคือมันได้แต่ยกตัวยอย่างอะ่ะพขาบอกอาการจริงๆอ่ะมันไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะแล้วเราอยู่ต่อหน้าเราพอเรายิ่งจี้สายยิ่งมึนไปเลยอะ่ะเล่งตามเรายิ่งเกรียดไปเลยมึนไปเลยมันยากตรงทรงี่ว่าเราเห็นเขาแล้วแลจะพูดยังไงเขาเข้าใจว่าอเ น, นี่ยมันคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออันเนี้ยอาการอย่างนี้ที่คุณทำเนี่ยมันคืออันนี้นะ อ, อ, อ, อันนี้เล ย, นนเลยที่กุณกำลังถามเ่ยองเราผิดแบบเนี้ที่คืออาการอย่างนี้เลย แต่มันไหนอาการไหนอันอันไหนไอ้ที่เอ็กซเรยหาใหม่มันก็เป็นอันใหม่กแล้วผิดอันตัวใหม่อีกแล้วแทนที่จะไปเจอไอ้ตัวที่เราบอกแหละพอเราไปบอกว่าตัวไหนมันผิดอตัวไหนจะอะไรไอ้ตัวที่หาใหม่นี่มันผิดอีกแล้วเนี่ยจะเนี่ยมันกลายเป็นตัวใหม่ไม่ทันกันยากถึงบอกว่าโอ้มันจะเทะกันอีกกิแท็กเนี่ย